Mm . -hmm. มาได้มาพิจารณาถึงเหตุการณ์เมื่อสองสวันที่ผ่านมาก็อดคิดไม่ได้ว่ามันมีอะไรหลายอย่างกับเหตุการณ์เดียวกันเมื่อ43ปีก่อนนะเป็นความพ้องกันโดยบังเอิญนะในบางแง่ก็ว่าได้พวกเราคงจนได้ดีวราคนที่อายุ60หรือ50กว่าเนี่ยตุลา16ึ ก็เกิดนะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะก็เกิดความรุนแรงขึ้นนะกลางกรุงเทพโนะดยเฉพาะแถวสนามหลวงราชดำเนินนะก็เรียกว่ามีคนล้มตายบาดเจ็บเป็นจำนวนมากจนกระทั่งถึงเย็นวันที่16ตุลาเหตุการณ์จึงสงบนะเพราะว่าจอมพล น, นนอมหรือว่ากับจอมพลประภาสเนี่ย เราก็พันเอกนรงกิจกจรจนอะเดินทางนอกประเทศบ้านเมืองก็คืนสู่ความสงบและคืนนั้นเนี่ยในหลวงเนี่ยก็มีพระราชดำรัสทางโทรทัศนะ์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดนะและประโยคแรกที่พระองค์ตรัสก็คือวันนี้เป็นวันมหาวิประโยคนะตัตมาจำได้เลยตอนวันย6นะวันนี้เป็นวันมหาวิประโยคนะนะพระภาพของพระองค์ก็เศร้าหมองนะเพราะว่า มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายกันนะเป็นจำนวนมากนะาเหตุการณ์เมื่อสองสมาธิผ่านมาเนี่ยนะแม้จะไม่มีผู้ใดนะมากล่าวเหมือนอย่างที่พระองค์ได้เคยมีพระดำรัดเมื่อส3สปีก่อนนะแ ต, นแต่หัวใจของทุกคนเนี่ยก็รับรู้ว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาของวันมหาวิปโยคเป็น ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์จะแตกต่างกันมากเหตุการณ์แรกนะเมื่อส3ปีที่แล้วเนี่ยคนบาดเจ็บล้มตายกันเป็นร้อยนะบาดตายเป็นเกือบร้อยนะบาดเจ็บกันอีกมากมายนะแล้วก็มีการเผาสถานที่ราชการหลายแห่งนะบ้านเมืองเกิดจะลาจลวุ่นวายแต่ช่วงสง ช, วง ช, วงช่วงสช็อตที่ผ่านมาไม่ได้มีคนล้มตายมากขนาดนั้นนะก็มนะีเพียงบุคคล ท่านเดียวนะที่จากไปนะแต่ว่าเป็นคนสำคัญของชาตินะก็คือในหลวงของเรานะพระมหากษัตริย์แต่ว่าแม้จะมีการจากไปเพียงแค่บุคคลคนเดียวหรือพระองค์เดียวนะแต่ว่าผู้คนก็เศร้าโศกเสียใจกันมากนะโดยเพราะเมื่อเมื่อวานเนี่ยวันที่14ตุลาช่วงตอนเย็นนะอาตมาก็ได้ดูการถ่ายทอดนะทางโทรทัศน์พิธีเคลื่อนพระบรมศพ จากสิริาาาราชมายังพระบร ม, มาราชวังทั้งที่ศิริราชแล้วก็สองเส้นทางตลอดสองเส้นทางอตลอดอเส้นทางจนถึงสนามหลวงหน้าพราะ บ, บรมมาราชวังมีคนเนี่ยคิดว่าเป็นอาจจะเป็นแสนลนนะแต่งชุดดําบ้างมีขาวบ้างแล้วทุกคนก็น้ําตานองหน้านะ ไม่มีเสียงดังอะไรนะไม่มีเสียงดนตรีอะไรมีแต่เสียงรถนะแต่ว่าในใจของผู้คนนี่เชื่อว่าร่าไห้นะโดยเฉพาที่สนามหลวงสนามหลวงเมื่อ13ปีก่อนนี่มันมันเหมือนกับสมรภูมิสงครามเหม น, นะเมืที่14บเนี่ยเสียงดังนะทั้งรถถังทั้งปืนนะใครทีนะ่เป็นผู้ใหญ่ในช่วงเหตุการณ์นั้นก็อาจจะนึกภาพออกมันตรงข้ามกับ เหตุการณ์เมื่อวานนะที่ธรรมศาสตร์เงียบสงบนะแต่มันเงียบจนวังเวงนะแต่ว่าในใจผู้คนนี่ก็เรียกว่ามีความเศร้ามันมีทั้งความหนักนะความหนักอยู่ข้างในหนักเพราะว่าเศร้าโศกนะขณะเดียวกันก็เบาโงงนะมันเบาโงงเพราะว่าบางอย่างนะนะที่มีความสําคัญในชีวิตได้ขาดหายไปนะหายไปจากจิตใจ ก็เป็นวันมหาวิปโยคนะพูดได้เต็มปากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยต่อเนื่องไปถึงวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันมหาวิปโยคถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเอ่ยคํานี้ขึ้นมาอย่างที่ในหลวงเคยเคยจัดไว้ในเมื่อ13ปีก่อนเนี่ยแต่ก็พูดได้เต็มปากว่าเป็นวันมหาวิปโยคเหมือนกันถึงแม้ว่าเหตการมันจะไม่เหมือนกันเลยแต่มีหมีสิ่ ง, ง ท, ที่เหมือนกันคือความเศร้าโศกเสียใจ จะคิดว่าความเศร้าโศกเสียใจหรือความพิระโยของคนไทยในช่วงสองสมวันที่ผ่านมาอใช้เวลาเยียวยานานกว่าเมื่อ43สาปีที่แล้วนะปีที่แล้วคนตายเยอะก็จริงนะแต่ว่าหลายคนก็รู้สึกว่าเป็นการตายที่คุ้มค่าเพราะว่าได้ชัยชนะคือประชาธิปไตยนะส่วนผู้ที่สูญเสียชีวิตครอบครัวก็ทำใจได้เพราะว่าได้รับการยกย่องเป็นวีรชน แล้วก็มีการพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรตินะที่ที่สนามหลวงในปีถัดมาเพราะนั้นเนี่ยการเยื่การเศร้าสีสยใจก็ได้การเยียวยาได้ได้รวดเหลือพอสมควรแม้ว่าจะไม่ไม่ถึงกับว่ า, าสมานสนิทนะแต่ว่าความวิปโยคในช่วงสองสที่ผ่านม า, าคงใช้เวลาเยียวยา น, านานพอสมควรนะเพราะว่า เหตุผลสำคัคือว่าพระองค์ก็ไม่ได้ฟื้นกลับมานะมันก็เป็นความสูญเสียงถาวรซึ่งต้องใช้เวลาในการเยียวยานะเวลาก็มีส่วนช่วยนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเยียวยาจิตใจของเรานะจากความโศกเศร้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือว่าการที่เรานึกถึงนาพระทัยและความดีของพระองค์เวลานึกถึง แล้วเนี่ยนะจิตใจจะเกิดเป็นกุศลขึ้นมาเนะีเกิดความสศกเกิดความปิติเกิดแรงบันดาลใจนะความเศร้าที่เป็นอกุศลธรรมนะแต่ว่าไอ้ความปิติความแรงบันดาลใจเนี่ยเวลาเรานึกถึงความดีของใครสักคนที่เราเคารพนับถือเนี่ยมันจะเกิดกุศลธรรมขึ้นมาใน ใ, นใจนะซึ่งจะช่วยบรรเทาความเศร้าความโศกได้และถ้าหากว่าไม่ได้นึกถึงว่าเปล่านะหรือเฉยเฉยแต่ว่าได้ลงมือทํำด้วย อย่างที่ได้พูดอยูนะ่มาตลอดแล้วใครๆก็พูดนะว่าสิ่งที่จะช่วยเยียยาความเศร้าโศกดีสุดคือการดำเนินรอยตามนะพระองค์หรือว่าทําตามพระบัญญัติทางของพระองค์๋ยวแล้วก็ตามเนี่ยนะพวกเราก็คงทราบอยู่แล้วว่าการที่จะเดินตามพระองค์นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและถ้าจะจะทำได้เนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยที่สาคัญนะ ก็คือใจนะจะบำเพ็ญกรณีธรกิจนะแม้จะหนึ่งในร้อยของพระองค์ท่านเนี่ยมันต้องอาศัยใจนะอย่างที่พระเจ้าตรัสนะว่า ท, ทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานนะมีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจจะทำได้อย่างพระองค์นะแม่เพียงเศรษี เ, เนี่ยก็ต้องนะต้องมีใจนะอย่างพระองค์นะ หรือว่าผู้ใหญ่ก็คือว่าก็มีธรรมะในใจอย่างที่พระองค์มีนะนี่ถ้ามันมีอยู่ข้างในแล้วเนี่ยนะการจะพูดการกระทำเนี่ยมันก็ออกมาอย่างได้ง่ายขึ้นนี้ธรรมหรือความยิ่งพระองค์เนี่ยมีมากมายแต่ถ้าสรุปสั้นๆนี่นะมันก็มีแค่สิบันนะซึ่งเราเรียกว่าทศพิธรัชธรรมนะธรรมะหรือคุณงามความดีของพระองค์ที่เราพูดกันหรือที่เด็กนได้ฟังมาเนี่ย มากมายหลายประการรวมทั้งพระกรณากิจอีกมากมายมันก็มารวมลงที่ตรงที่เนี่ยธรรมะสิข้อหรือว่าทศพิ ร, รัชธรรมซึ่งแม้ว่าจะเป็นธรรมะสาวผู้ปกครองนะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมะที่เราควรจะน้อมนํามาใส่จิตใจของเรานะด้วยสองข้อแรกเนี่ยนะัก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะก็คือทานและศีลอันนี้หลายคนก็ทําอยู่แล้วนะทำเป็นประจํา ท้ายก็คือการให้นะสละสิ่งของรวมถึงสละเวลาศีลก็ย่งตำตำก็ศีล5ความหมายกว้างคือการควบคุมกายวาจางตนนะไม่ให้ไปเบียดเบียนใครแต่ในที่นี้ก็เอาว่าเป็นศีล5ก็แล้วกันนะข้อที่3เนี่ยนะก็คือบริจาค ก, ก็แปลว่าบริจาคนั่นเองนะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงบริจาคเงินทองนะ มากกว่านั้นก็คือสละความสุขสบายส่วนตัวนะอันนี้ก็เราก็เห็นได้จากพระองค์นะว่าพระองค์เนี่ยจริงๆก็สามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบา ย, บายได้เพราะเป็นพระราชามหากษัตริย์นะแต่ว่าพระองค์ก็สละความสุขส่วนตัวออกไปบำเพ็ญกรณีกิจต่างๆทั้งในกรุงนะไม่ใช่แค่เปิดงานนะ อย่างผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่ว่าลงไปหรือขึ้นไปถึงชนบทถิ่นทุรกันดาร น, นะสมัยก่อนนี่เส้นทางก็ลำบากนะบางทีก็มีถนนแต่หลายแห่งก็ไม่มีถนนโดยเฉพาะที่เป็นภูเขานะเช่นภาคเหนือหรือภาคอีสานนะพระองค์ก็เสด็จไปนะเดินเท้านะก็บ่อยแล้วก็อันนี้เราก็เห็นตัวอย่างนะจากภาพก็ดีหรือว่าจากคลิปวิดีโอเนะี่ย ก็เห็นได้ว่าพระองค์เนี่ยโดดเด่นทางนี้นะเรื่องของการเสีสระส่วนตัวสุขความสุขส่วนตัวซึ่งก็เป็นธรรมะที่เราควรจะจะนำมาปฏิบัติเหมือนกันนะบางทีหลายคนให้ทานรักษาศีลนะแต่ว่าถ้าหากว่าจะต้องสละความสุขส่วนตัวหรือว่าแม้แต่ะจะมาอยู่ลําบากเช่นจะมาอยู่วัดเนี่ยบางคนบอกจะไม่เอาเลยมันลําบากไปนะจะให้ทานนะ ที่วัดในกรุงเทพก็เอาจะรักษาศีลที่บ้านก็ยังไหวนะแต่จะให้มาวัดนี่ไม่เอาเพราะว่ามันลำบากนะอันนี้ก็เรียกว่ายัางไม่มีปริจาค่านะคือว่ายัางยังยังหวงแหนความสุขส่วนตัวนะซึ่งในโรงของเราไม่มีอันนี้นะก็เรียกว่าเป็นแบบอย่างให้กับเราได้ประการต่อมาคือนะความซื่อตรงนะนะ ภาษาบาลีใช้ว่าอาชว ะ, ะความซื่อตรงนะก็แค่คําว่าสัจจานั่นแหล ะ, ะอันนี้ก็เป็นลักษณะดเด่นของพระมหากษัตริย์นะมัมีคําพูดว่ากษัตริย์ตัดละไม่คืนคํำก็คือว่าพูดคําไหนก็เป็นคํานั้ น, นในหลวงเรานี่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่ของรางใหม่ๆนี่ก็มีเขาเรียกปฐมดํารัตนะว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนะเพื่อประโยชน์สุขแห่งหมาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นคําเรียกว่าเป็นคําสัญญานะซึ่งพระองค์ก็ รักษาคำมันสัญญานี้มาโดยตลาดก็ชนชีพน ะ, ะถ้าเราทำได้แม่เพียงส่วนเสียของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์พูดคำไหนเป็นคำนั้นนะมันก็ถือว่าเราก็ได้บาเพ็ญทำในข้อนี้ละอาชวะมัทธะนะข้อที่5เนี่ยก็คือความไม่ความอยู่ง่ายนะไม่เจ้ายศเจ้าอย่างเรียกว่าสมร t เรียบง่ายนะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้จากพระองค์นะเวลาเสด็จพระราดเนินไปที่ไหนโดยมเดชนบดเนี่ยบางทีก็ก็ก็นั่งนะในกระท่อมสนทนากับชาวบ้านนะไม่มีอาสนะนะไม่มีบอกอะไรจะมารองรับนะพระองค์ก็นั่งคุยกับชาวบ้านบางทีก็เราเห็นภาพประทับอยู่บนถนนนะดูแผนที่นะอันนั้นเขาจะคงเป็นภาคเหนือเนี่ย อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมัทธวะพลเอก ว, วสิษฐเดกุลชอยเล่าว่าเนี่ยเวลาพระองค์เสด็จพระราชดาเนินไปที่ไกลเนี่ยชนบทที่ลักกันดานเนี่ยบางทีพระองค์ขับรถเองนะไม่ได้มีมหาเล็กขับให้ทางก็ขรูคราพระองค์ก็ขับนะคนที่นั่งเบาะหลังเนี่ยคือมหาเล็กนะคือเจ้าหน้าที่นะนะเจ้าที่นี่นั่งนะในหลวงนี่เป็นคนขับนะเ ป, นนบนะเป็นพลละขับนะพอขับถึงแล้วพระองค์ก็ทําทงานนะ สนทนากับชาวบ้านนะไปดูสถานที่ต่างๆกว่าจะไปถึงที่บางที้ก็ต้องเดินไกลนะนะเสร็จภารกิจก็กลับมาขับรถต่อนะขับรถกลับนะมหาเล็กหรือว่าเจ้าที่ก็นั่งอยู่เบาะหลังก็หลับไปด้วยหลับมีโอกาสาได้หลับได้พักนะแต่ในหลวงไม่ได้พักอันนี้ก็เลแสดงความ อ, านอนุน h o n ตบนของพระองค์นะก็คือว่าไม่ไม่ไม่เจ้ายกเจ้าอย่างนะทั้งที่สามารถที่จะจะมีคนให้ สามารถที่จะอยู่สบายให้คนขับนะมาขับแทนพระองก็ได้นี่เป็นแบบอย่างที่ดีนะของพวกเรานะบางคนเนี่ยเพียงแค่เป็นพ่อแม่ของลูกนี่ก็แสดงความเจ้าเล่ห์เอย่างกับลูกแล้วหรือว่าเป็นครูก็แสดงความเจ้าเล่ห์เอย่างกับนักเรียนนะหรือเป็นเจ้านายนี่ก็แม้จะเป็นแค่หัวหน้ากองหรือเป็นครูใหญ่ผู้อำนวยการนี่ก็มีพิธีรีตองเยอะเหลือเกินนะกับครูผู้น้อยนะีย เป็นประลัดอำเภอรหรือว่าเป็นนายอำเภอก็มีพิธีรีตองมากเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าขาดนะมัทวะมันไม่ได้หมายถึงความการไปคุกคีตีโมงนะก็มีระยะอยู่นะแต่ว่าก็ไม่เจจดใจอย่างเมื่อถึงเวลาที่จ ะ, ะจะทำไรโดยที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองก็ทําได้แม้พิธีรีตองไปเป็นเครื่องขัดขวางเลยเพราะการแก้ชิด ก, กับพระสงฆ์ทกรของพระองค์หรือว่าการทําไม้สําเร็จ ถ้าข้อแรกเนี่ยนะธรรมะข้อแรกเนี่ยให้สังเกตว่าเป็นเรื่องของธรรมะฝ่ายบวกธรรมะฝ่ายบวกเช่นทานศีล น, นะให้ทานการรักษาศีลการสละความสุขส่วนตัวเพื่อทําประโยชน์ส่วนรวมนะความอ่อนความมีสัจจะนะอัชวะมัทวะออนความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าข้อหลังเนี่ยมันจะเป็นเน้นหนักเรื่องของการธรรมะฝ่ายลบนะเช่นตะปะตบ ะ, ตบะ ตะะเนี่ยหรือตะ บ, บะเนี่ยก็คือการข่มใจข่มใจเนี่ยนะเป็นการข่มกิเลสตามด้วยขันติขันติคือความอดทน2ข้อนี้ต่างกันยังไงนะเพราะว่ามันก็เป็นคล้ายๆเป็นการขม่มเหมือนกันนะตะบะเนี่ยขม่มในแง่ที่ว่าข่มใจไม่ให้ลหลงไหลในความสุขส่วนตนหรือว่าความสุขสบาย ความเพลิดเพลินนะไม่ลหลงไหลในสิ่งที่ปนเปลือยพูดง่ายคือไม่ลหลงไหลในวัตถุนะธรรมชาติของคนที่เป็นเจ้าคนนายคนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เมียนาเนีย่ยก็จะมีสิ่งปนเปลือยเยอะนะทั้งวัตถุนะแล้วก็รวมทั้งคำสรรเสริญ น, นะนี่ก็ต้องมีตะบะคือว่าข่มใจไม่ให้ไปเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้นะลองถามเราเองตัวเราเองว่าเออเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะหรือว่าพอเรามี ความสุขสบายเราก็เพลินหลงไหลไปกับมันอย่างเช่นที่พูดมาสักครู่เราติดสบายหรือเปล่าติดสบายไหมนะจะไปที่ไหนก็ต้องนะมีห้องติดแอร์นะต้องมีเบาะใหญ่นะพอมาอยู่วัดก็อยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้นี่จะดําเนินตามตามรอยของพระองค์ได้ยังไงนะพะวัดเหานี้มันก็สบายกว่าชนบททางไกลอีกเยอะนะ หรือเาตามชายแดนซึ่งเป็นที่ที่พระองค์เสด็จไปบ่อยๆเนี่ยเมื่อ 30- ม0ิบปีที่แล้วนะต้องข่มใจนะอย่าไปเพลิดเพลินกับมันนะความสุขสบายมีก็ดีนะแต่ถ้าไม่มีนะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีแล้วติดมันเนี่ยนะก็แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติทำข้อนี้นะคือไม่ได้ข่มใจหลงปล่อยใจไปเพลิดเพลินกับมันส่วนขั้นตีนอดทนมายอดทนอดทนต่อสิ่งที่เป็นลบนะเช่นงานที่ยากลําบากความเจองานมากยังไงก็แม่เหนื่อยกลยัไงก็ไม่ท้อ นะถูกคนต่อว่านินทายังไงนะก็ไม่เสียกาลังใจนะอันนี้คือไปเจอสิ่งลบนะเจอความยากลำบากเจอคาต่อว่าด่าทอเจอคาเสดสีนะนินทาว่าร้ายนะก็ไม่ไม่ท้อถอยไม่เสียกำลังใจนะอันนี้คือความอดทนในในรมฝ่ายลบนะซึ่งต่างจากตะปะหรือตะบะ นะคือความคนมใจไม่เพลินในทาฝ่ายบวกทาฝ่ายอารมณ์ฝ่ายบวกนะโดยเพราะพวกโลกธรรมโลกธรรม4เนี่ยนะได้ลาบได้ยศสารเสริญหรือว่าสุขเนะี่ยนี่ถามล้วตัวเองว่าเออเรามีอันนี้ไหมนะถ้าไม่มีก็ก็ควรจะสร้างขึ้นมานะต่อมาคือว่านะความไม่โกรธนะอันนี้ยากหน่อยนะอกโกทะแต่ถ้าเรานะ ทั้งสองข้อนะท้ายได้เนี่ยก็คือตะบะนะกับขันติเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเจออะไรก็ไม่รู้สึกขัดอกขัดใจง่ายๆคนที่ติดสบายเนี่ยนะพอเจอสถานที่ที่ไม่สบายเนี่ยก็จะรู้สึกขัดใจแล้วทำไมไม่มีเครื่องแอร์ทำไมไม่มีพัดลมทำไมไม่มีเบาะทำไมไม่มีมุง้งอะไรอย่างี้เป็นต้นทำไมไม่มีน้ำแข็งเนี่ยขัดใจนะเพราะมันติดสบายไง หรือว่าถ้าไม่มีขันติไม่รู้จักอดทนต่อความยากลาบากนะมาวัดนี่โอก็บ่นแล้วนะทางไม่ดีนะเกิดความขุนเคืองใจนะอันนี้ก็เรียกว่าอาจจะนำไปสู่ความโกรธนี่เอาโกรธทานนี่มันก็ทำได้เหมือนกันนะหรือถึงแม้ว่าเรามีความโกรธแต่เราก็รู้ทันนะรู้ทันแล้วก็อาจจะไม่ต้องขม่มความโกรธก็ได้เพียงแค่รู้ทันเนี่ยความโกรธมันก็บรรเทาเบาเบาง เมือม่อมี อ, ก, อกโกรธาคือไม่โกรธแล้วเนี่ยาการที่จะบําเพ็ญทำข้อต่อไปก็ง่ายนะอาวิหิงสาก็คือการไม่เบียดเบียนนะสองข้อสองข้อสุดท้ายที่ว่าเนี่ยอกโกรธากับอวิหิงสานี่มันมันเป็สิ่งสิ่งจำเป็นนะสําสหรับคนที่มีอานาจนะเริ่มตั้งแต่พ่อแม่เลยเนะียพ่อแม่นี่มีอำนาจเหนือลูกนะพออมีอานาจเหนือลูกน้องเจ้านายมีอานาจเหนืออ่า ผู้ใต้บังคับบัญชาพอเมียอำนาเนี่ยมักจะระบายความโกรธใส่ได้ง่ายนะแล้วก็เบียดเบียนอาจจะถักทางด้วยคําพูดนะบางทีเมียอำ น, นาจมากๆนี่ก็อาจจะใช้กําลังเลยนะเช่นตบหัวนะไอ้ทำงี้กับลูกไอ้ทำงี้กับลูกน้องให้เราควรเรียนนะเรียนจากในหลวงในข้อนี่นะก็คือว่าอโกทะไม่โกรธนะไม่เบียดเบียน แล้วข้อสุดท้ายเนี่ยนะมันเป็นคําที่เรียกว่าเป็นการสรุปรวกนะธรรมะทั้งหลายเนี่ยอาวิโรธนะคือความไม่คลาดเคลื่อนในธรรมนะไม่คลาดเคลื่อนในธรรมนะคือตั้งมั่นในธรรมนั่นเองเรื่องแต่ในใจเนี่ยคือว่าไม่ยินดียินร้ายนะเวลาเจออะไรมากระทบทําให้พอใจก็เออไม่ยินดีกับมันจนกระทั่งลุ่มหลงประมาทหรือว่ายอมทําสิ่งที่ชั่วร้ายเพื่อจะได้สิ่งนั้นมา อันนั้นอันนี้ก็นำไปสู่การคอร์รัปชันแล้วคนที่ทำช่วยในคอร์รัปชันเนี่ ย, น, ยนะก็เพราะว่าจิตใจมันนะไม่มีความมั่นคงนะไม่มีความมั่นคงภายในเจอการมาสุขเจอเงินทองเจอโอกาสในการที่จะคดโกงก็นะใจก็โอนเองละในทางเดียวกันนะพอเจอคำต่อว่าดาวทนะหรือว่าเจออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ แม้แต่เจออาหารที่ไม่อร่อยก็โมโหขุนเคืองนะเกิดความยินร้ายแล้วก็ปล่อยใจให้ความยินร้ายนังครอบงำที่จริงถ้าเราหมั่นเจริญสติเนี่ยนะในการที่เราจะเจริญในอวิโรธนา น, นี้ก็ทำได้ง่ายนะเพราะสติที่มันทำให้เราเนี่ยวางใจเป็นกลางต่อสิ่งต่างๆนะไม่ยินดีในอารมณ์ที่น่าพอใจไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอารมณ์ในทนี่หมายถึงว่ารูปรสกลิ่นเสียงนะรวมทั้งสัมผัส แล้วก็อาจจะรวมไปถึงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจด้วยนะมีความโกรธเกิดขึ้นในใจก็ไม่ได้รู้สึกต่อต้านผักสายมันก็ดูมันเฉย ๆ, ๆเห็นมันเฉย ๆ, ๆเรียกว่ารู้สู้ๆมีความยินดีเกิดขึ้นในใจก็เออแล้วก็ไม่ได้หลงหลายเคลิอมคลอยไปกับมันนะนี่ถ้าว่าเราเนี่ยนะน้อมนำเอาธรรมะ10ข้อเนี่ยมาใช้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามากนะไม่ทาให การที่เราจะดําเนินรอยตามเพื่อพระยุคลรบาทเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายเป็นเดนออัตโนมัติถ้าไม่ไม่น้อมนำธรรมะไว้นในใจเนี่ยนะจะทำยังไงทํำยังไง ก, ก็ก็ไม่สามารถจะเดินตามพระองค์ได้นะเพราะว่าคนเราจะเดินนะจะเดินตามเนี่ยมันก็ต้องออกมาจากใจก่อนนะถ้าใจไม่ไปเนี่ยนะเท้ามันก็ไม่เดินหรอกอันนี้บางคนจะพูดว่า เ, เราไม่ใช่เป็นพระราชานทะศวิราชธรรมเนี่ยเขาไสปสอนผู้ปกครองนะ แต่ที่จริงเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ใช่ราชานีจะไม่ได้พระมหากษัตริย์เนี่ยแต่เราก็ก็ต้องมีคนในปกครองอยู่นะอย่างต่ำๆก็ลูกนะนะหรือว่ากว้างออกไปก็ลูกน้องนะผู้ใต้บังคับบัญชาเราก็เป็นผู้ปกครองอยู่เหมือนกันทุกคนเนี่ยนะโดยพ่อมามาถึงวัยนี้แล้วย่ยอมเป็นผู้ปกครองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีทศวิรายธรรมด้วย ถึงแม้จะไม่ใช่พระหมหากษัตริย์หรือนายรัฐมนตรีก็ตามและที่สำคัือเราอย่างก็ต้องครองตนให้ได้นะเราไม่มีใครเลยนะเราไม่ได้เป็นพ่อแม่ใครแต่เราก็ต้องครองตนนะครองใจของเรานั่นเองนะครองใจงเราไม่ให้กิเลสครอบงำในทฤษิีเราจะทำเนี่ยนะมันก็เป็นธรรมที่เอามาใช้ครองใจได้เอามาใช้ครองตนไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำนะไม่ให้มันช่วยอกาสนะเข้ามาใช้เรา ทำสิ่งชั่วร้าอย่างที่พูดไว้เมื่อเช้ า, เ, าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมือ่อในโอกาสอย่างนี้เนี่ยนะนอกจากเราจะมาแสดงความจะรู้สึกเศร้าโศกนะอะไรอวรนในในหลวงนะของเราแล้วเนี่ยนะให้เรานะตั้งมั่นในการที่จะทำความดีจเจริญร อ, อยตามพระองค์ท่านแล้วก็สิ่งที่เราทําได้เลยนะคือว่านะน้อมนำธรรมะนะที่พระองค์ปฏิบัติเนี่ยเอามาใช้กับตัวเรานะ ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แต่วันนี้นะไม่ว่าจะเป็นทานศีลนะปริจาคะอาชวะมัทวะตบาขันตินะอโกทะนะอหิงอวิหิงสาแล้วก็อวิโรธนะนะอย่างน้อยๆใน5ข้อแรกเนีงง่ยพยายามทำให้ได้นะแล้ว5ข้อหลังมันก็จะก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นคำนี้ผูกันทำ น, นี้นะครับ